ส ว, ส, สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบ้านนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเพีซู ต, ตอนที่สี่ร้อยสี่สิบเรื่องวิธีการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมได้พูดถึงคริสเตียนฝ่ายวิญญาณกับคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังเป็นที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ว่าเรามีคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังค่อนข้างมาก เมื่อค่อนข้างมากเราก็จะเห็นถึงการเติบโตของคริสจักรน้อยในขณะเดียวกันครับคริสจักรก็ไม่บริสุทธิ์เท่าที่ควรเพราะว่าคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังอาจจะมีอิทธิพลต่อผู้นำคริสจักรอาจจะมีอิทธิพลต่อแนวความคิดของคริสจักรก็เป็นได้พี่น้องครับคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังภาษากรีก เขาเรียกว่าซากที่คอยซากที่คอยผมใช้คําว่าซากนะครับซากที่คอยคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังคริสเตียนฝ่ยนยายพยัญชนะฉุดภาษากรีกเรียกว่านิวมานิวมาแปลว่า พ, พยัญชนะครับนิวมาที่คอยนิวมาที่อยพี่น้องฟังเป็นความรู้ไว้นะครับคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังนั้นอาจจะมีภูมิปัญญาสูงครับ แต่ว่าจริยธรรมต่ำคริสเตียนฝ่ายพระวิญญาณก็จ ะ, จะเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะครับไม่ใช่ตื้นตื่นในเรื่องพระวจนะของพระเจ้าคริสเตียนฝ่ายพระวิญญาณนั้นไม่มีการอิจฉาริษยาไม่มีการแข่งแย่งชิงดีกันตามพระวจนะพระเจ้าหนึ่งโครินโบ ท, ที่สามข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สี่ ชาวโครินธ์นั้นเขาได้รับพระบัพติสมาด้วยพระวิ ญ, ญญาณบริสุทธิ์มั่งคั่งด้วยของประทานฝ่ายพระวิญญาณพี่น้องต้องจัดประเด็นนี้ให้ได้ใช่อนนะครับคริสเตียนชาวโครินธ์นั้นได้รับ บ, บัพติสมาด้วยพระวิญญาณบริส mm ุทธิ์เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเขาได้กลับใจใหม่เขาได้เชื่อเขาได้บังเกิดใหม่เขาได้รับพระวิญญาณเรียบร้อยแล้วนะครับในขณะเดียวกันครับเขามั่งคั่งด้วยของประทานฝ่ายพระวิญญาณของประทานแห่งพระวิญญาณ ก็คือความสามารถในการที่จะนําคนมาเชื่อพระเจ้าความสามารถในการขยายแผ่นดินของพระเจ้ามีของประทานฝ่ายพระวิญ ญ, ญาณหลายอย่างครับในขึ้นจากนี้เรียกว่าเ้นที่ฝูก็คือมั่งคั่งเต็มนะครับแต่ผลของพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ไม่มีครับหรือมีน้อยตัวพวกเขานั้นไม่ได้เปี่ยมล้นด้วยพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์อาจารย์ปารูท่านก็เลยแยกแยะความแตกต่าง มิใช่ระหว่างผู้ที่รับอัพสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และผู้ที่ยังไม่ได้รับแต่อาจารย์มโลกำลังแยกแยะระหว่างคริสเตียนฝ่ายจิตวิญญาณและคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังออกมาเพื่อที่จะให้เขาได้มีโอกาสกลับใจใหม่ครับให้มาอยู่ฝั่งคริสเตียนฝ่ายวิญญาณพี่น้องครับเราไม่ควรปฏิเสธความจริงที่ว่าตามพระคัมภีร์นั้นเราได้รับบัพติศมาแล้วเนื่องจากเราได้สํานึกในความผิดความบาปเชื่อพระเยซูและหลายครั้ง หลายคนก็เข้าใจว่าการรับแบบสมาด้วยน้ํานะครับก็รับรองการรับแบบสมาด้วยพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์อันนั้นก็เป็นความจริงอยู่ครับแต่เราจะต้องเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงๆหรือเปล่านี่แหละครับคือปัญหาคําตอบก็คือเราต้องเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับนะครับเราต้องเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้ผมจะทำำําความเข้าใจเรื่องหลักฐานหรือวิธีการในการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญ ญ, ญาณ เราจะรับการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณอย่างน่าชื่นชมินดีน่าชื่นใจและมีความสุขได้อย่างไรนะครับมีอยู่สองตอนด้วยกันครับวันนี้จะพูดถึงตอนแรกพังพีสองตอนในพระคัมภีร์ใหม่นะครับตอนแรกนั้นเป็นคำตัดของพระเยซูโดยตรงครับและตอนที่สองนั้นก็เป็นหนังสือฝากหรือจดหมายฝากของท่านอัครทูตเปาโลนะครับในวันนี้จะพูดถึงเอ พระคัมภีตอนแรกก่อนนะครับพระกัมภีตอนแรกนั้นอยู่ในพระธรรมยอญบทที่เจ็ดข้อสามสิบเจ็ดถึงข้อสามสิบเก้านะครับตรงนี้เราเห็นว่าหากจะเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นวิธีการอย่างแรกก็คือเราต้องมาถึงพระเยซูเสมอเราต้องมาถึงพระเยซูขี้เจ้าเสมอหมายถึงว่าเราต้องมาถึงพระวจนะครับพระเยซูตอนนี้เรามองไม่เห็น เราไม่สามารถที่จะได้เห็นทางกายภาพเราไม่สามารถสัมผัสทางกายภาพแต่เราสามารถสัมผัสกับตัวแทนของพระเยซูนะครับที่สำคัญยิ่งใหญ่นะครับหนึ่งในสองอย่างก็คือพระวจนะและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทีนองครับพระวจนะนั้นเราสามารถสัมผัส ด, ด้วยกายภาพได้เราสามารถได้ยินเราสามารถ ได้เห็นคืออ่านได้ได้ยินคือได้ฟังได้นะครับทั้งฟังเทศนาฟังคําสอนเข้าเรียนแลววีนี่คือการฟังการเห็นการมองก็คือเราอ่านครับอ่านพระวจนะของพระเจ้าการอ่านพระวจนะของพระเจ้าการฟังนะครับเพราะพระวจนะของพระเจ้าทําให้เราเปี่ยมร้นด้วยพระวิน ญ, ญาณบริสุทธิ์ได้เรามาดูกันนะครับในยอห์นบทที่เจดข้อสามสิบเจดข้อสามสิบเก้า ในวันสุดท้ายของงานเทศกาลซึ่งเป็นวันใหญ่นั้นพระเยซูทรงยืนและประกาศว่าถ้าผู้ใดกระหายผู้นั้นจงมาหาเราและดื่มผู้ที่วางใจในเราตามที่มีทํำเขียนไว้แล้วว่าแม่น้ําที่มีน้ําำํารงชีวิตจะไหลออกมาจากภายในผู้นั้นพี่น้องครับท่านยอนั้นเขียนกํากับไว้ว่าสิ่งที่พระเยซูตรัสนั้นหมายถึงพระบิน ญ, ญ, ญาณซึ่งผู้ที่วางใจในพระองค์จะได้รับ เหตุว่ายังไม่ได้ประทานพระวิญญาณให้เพราะพระเยซูยังไม่ได้ประสบเกียรติภิทพี่น้องครับบริบทตรงนี้ทำให้เราได้เห็นความหมายของการเปี่ยมล้นด้นนวยพระเยาูสุดก็คือจะต้องจะต้องอะไรครับจะต้องเข้ามาหาพระเยซูเพราะพระเยซูนั้นจะประทานการเปี่ยมล้นให้เราจะต้องมีความรู้สึกกระหายครับเราต้อง แสวงหาพระเยซูเราแวสวงหาพระเยซูเจอพระองค์ที่ไหนครับก็เจอพระองค์ที่โพชนาครับเจอพระองค์ที่โพชนาเพราะฉะนั้นการที่เรามีความรู้สึกหิวกระหายและต้องการการเตี่ยมล้นนั่นคือความพร้อมที่จะเชื่อฟังพระเยซูเชื่อฟังโพชนาครับและเมื่อเรามาหาพระเยซูนะครับแม่น้ําแม่น้ําที่มีน้ํำทารงชีวิตจะไหลออกมาจากผู้นั้น นั่นคือเราจะกรายเป็นทานน้าที่พระวิญญาณบริสุทธ์นะครับเมื่อผ่านเข้ามาในชีวิตของเราแล้วก็จะหลังไหยไปถึงคนอื่นๆได้เพราะฉะนั้นน้านี้คือหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธ์ครับพี่น้องครับน้านี้หมายถึงพระวิญญาณบริสุทธ์เมื่อน้าหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธ์นะครับจะสามารถที่จะลังไหลผ่านชีวิตของเราไปสู่ผืนดินที่แห้งเผือแห้งนะครับ แห้งเป็นผืนดินที่กระหายหาน้ํานั่นคือโลกครับเป็นผืนดินที่แห้งผากกระหายหาน้ําโลกนั้นต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับเพื่อที่โลกนั้นจะกลับใจใหม่โลกนั้นต้องการบริสุทธิ์เปลี่ยนพระวิญญาณบริรสุทธิ์เปลียนเสมือนกับแผ่นดินที่กระหายหาน้ําสังคมที่ไม่เป็นคริสเตียนสังคมที่แห้งแรงสังคมที่ปราศจากพระเจ้าสังคมที่ไม่มีความอิ่มเอิบใจไม่มีสันารสุขพวกเขา หยหาพระวิญญาณบริสุทธิ์หอยหาน้ำครับนะเราคิดถึงคนที่ถูกดวงอาทิตย์แผดเผานะครับดีไฮเดรตน้ำในตัวแห้งเหือดหมดลิ้นผีปากแห้งผากตกสะเก็ดหน้าแดงกำ่ำร่างกายขาดน้ำเขากำลังกระหายหาน้ำนี่คือภาพของคนที่ยังไม่เป็นคริสเตียนชาวโลกครับเพราะะนั้นเราจะประสบความเปี่ยมล้นอันชุ่มชื่นก็คือ เราจะเปลี่ยมล้นนี้เพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งจะยังความสดชื่นและดับความกระหายนี้ดี่งครับชีวิตของเราเมื่อเราอยู่ในโลกนี้นะครับหลายคนถามผมว่าทำไมพระวิญญาณบริสุทธิ์หายไปหายไปเพราะอะไรความจริงแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้หายไปครับแต่เราไม่เปิดโอกาสให้วิญญาณบริสุทธิ์ควบคุมครอบครองชีวิตของเราร้อยเปอร์เซ็นตนั่นคือทําให้การเกิดการพร่องนะครับจะต้องรับการเติมเต็มรับการเปลี่ยมลน้น นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอย่าลืมนะครับการดื่มเป็นกิจกรรมพื้นฐานแรกสุดนะครับที่คนเราต้องการนั่นหมายถึงว่าชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราก็เช่นเดียวกันครับเราต้องการการดื่มน้ําหมายถึงการเราต้องการการเติมเต็มเราจะต้องมีท่าทีหิวกระหายการเติมเต็มฝ่ายจิตวิญญาณเสมอกระหายเสมอดื่มเสมอนะครับเป็นการรับน้ําซึ่งเป็นยาเบสุด หมายความว่าเราเปิดใจยอมให้พระเยซูน we ั้นควบคุมชีวิตของเราเราเดินอยู่ในโลกนี้ทุกๆวันเราคิดไม่ดีทําไม่ดีเราต้องสารภาพบาปมาหาพระเยซูรับการอภัยโทษรับการเปี่ยมร้นนในพระเยซูโดยผ่านทางใครครับโดยผ่านทางพระเจ้านี้เป็นประการแรกมาหาพระเยซูโดยผ่านทางพระเจ้าเตรียมจิตเตรียมใจให้พร้อมในการเปิดรับการควบคุมการครอบครอง อย่างร้อยเปอร์เซนในชีวิตของพวกเราโดยข้อวิญญาณบริสุทธินั่นเองพี่น้องครับที่นี่บอกว่าพ้อวิญญาณของพระเจ้านั้นเมื่อเข้ามาเปี่ยมล้นด้วยข้อวิญญาณบริสุทธิ์นะครับในชีวิตของเราแล้วข้อวิญญาณบริสุ so ทธิ์น e ismus, vale ั้นก็จะหลังไหลออกไปนะครับหากไม่ไหลก็ไม่ใช่พ้อวิญญาณครับพี่น้องหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าการเปี่ยมล้นด้วยข้อวิญญาณสุทธิ์นั้นนะครับจะต้องนําไปสู่ความร้อนรนนะครับความห่วงใยการรัก ดวงวิญญาณรักการประกาศพระกิติคุณนะครับยิ่งกว่านั้นพี่น้องครับน้ําที่เราดื่มกับน้ําที่เราที่ไหลออกมาจากชีวิตของเรานั้นเราสามารถดื่มได้อีกครับเราสามารถยังคงสามารถมาหาพระองค์ดื่มนะครับดื่มอยู่เรื่อยๆดื่มดื่ ม, มตลอดไปนะครับพี่น้องครับเราจะเชื่อฟังพระองค์อยู่เรื่อยๆเราจะมีความเชื่อในพระองค์อยู่ตลอดไปฉะนั้น โดยการดําเนินการยิ่งใหญ่ของพระเยนบสซูในชีวิตของเรานะครับก็ทําให้เราได้รับการเพิ่มพูนทวีขึ้นเป็นแหล่งน้ําใหญ่เป็นแหล่งน้ําที่ใหญ่ไพศาลครับเป็นแม่น้ําที่มีน้ําทํารงชีวิตไหลออกจากชีวิตของเราเนี่ยครับคือการเปี่ยมล้นในพระเยนบริสซูในวันพรุ่งนี้นะครับเราจะมาดูข้อพวามพีอีอีกตอนหนึ่งครับแต่ในเช้าวันนี้พี่น้องครับเราต้องมาหาพระเยซูและดื่มเสมอครับ เราต้องพดุงรักษาการเปี่ยมรน้นหรืเพิ่มยันบริสุทธิ์อย่างสม่ำเสมอโดยอาศัยความเชื่อและการเชื่อฟังอาเมน